สิกขาบทที่10ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งเวกผ้าในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับ พ, พักคีนั่งเวกผ้าในละแวกบ้านในสิกขาบทที่10นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ